ก็นาัสการเขาเปนเจ้าทุกครองนะครับการจะเป็นผ่อนยาโยมเนาะเราก็อยู่ที่อาสมนะเราก็อยู่เพื่อทำความเพียรนะให้สมชื่อครับที่อาจารย์กาพลท่านตไว้นะอาสมวิริยะธรรม วิยทยาธรรมคือทำคือการทําความเพียรน เ, นเพื่อเผากิเลสอกิเลสมัน <c oughs> เรียกว่ามันนอนเนื่องในสันดานของเราเนาะทําการทําความเพียรก็คือการเผากิเลส <c oughs> การละกิเลสคืออกุศลและธรรมต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็แล้วก็มีสติเพื่อรู้ทันเขา สติรู้ทันมันก็มันก็ดับกิเลสไดนะ้ทีละขณะนะทีละขณะไฟนะเกิดความโลกความโกรธความหลงขึ้นมานะเรามีสติให้รู้ทันนะรู้ทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นเนะมื่อกิเลสเกิดขึ้นมาสติรู้ทันเนาะสติจะทำหน้าที่ในการในการตัดกิเลสของเขาเองนะ การภาวนาที่เราเราียกเราพยายามที่จะเรียกว่าสร้างสติเนะี่ยหรือสร้างความรู้สึกตัวนะเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในจิตในใจนี่แหละนะเราจะเริ่มจากการรู้กายเคลื่อนไหวก็ดีนะหรือรู้ลมหายใจก็ดีนะหรือรู้ในแบพระต่างๆอะไรก็ดีนะ มันเป็นอุบายเบื้องต้นที่ให้เรากลับมารู้สึกตัวนะลงที่ปัจจุบันนะเพราะปัญหาหลักๆของของคนนะก็คือความไม่รู้สึกตัวหรือความหลงนะความหลงหรือโมหะเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นกิเลสนะเบื้องต้นเป็นกิเลสที่ใหญ่มาก นะแล้วก็ละเอียดมากนะเราจะหลงนะบ่อยมากในแต่ละวันนะหนะลงทางตาหนะลงทางหูหลงทางจมูกหลงทางลิ้นหลงทางกายหลงทางใจนะนะมันจะหลงบ่อมากทันะะนั้นเราเลยต้องเรียกว่าสร้างสตินะผ่านกรรมฐานแบบไหนก็ได้นะที่ที่ทาแล้วนะ เราทำแล้วมันสบายไม่อึดอัดนะไม่บังคับตัวเองมากเกินไปอย่ามันคือแล้วก็เป็นกรรมฐานที่เรียกว่าไม่ทาให้เราเรียกว่ามันเคิมเกินไปนะบางทีมันก็จะมันก็จะเป็นกรรมฐานที่ยาก อ, อย่างเราเดินตามแนวหลวงพ่อเทียนนะก็คือมีสติรู้นะรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายนะ แต่ยกมือสิบสี่จังหวะก็ได้นะหรือบางทีอย่างแค่พลิกมืองา้ายพลิกมือคว่ำนะเหมือนอาจารย์กำพลนะแค่นี้ก็ได้ลนะคือเราเอาเอาสติไปรู้สึกตัวกับความเคลื่อนไหวแล้วก็ความหยุดนิ่งนะในชีวิตมันก็จะมีสองอย่างนี่แหละนะตลอดยี่บสี่ชั่วโมงคือเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนิ่ง ไม่ดีไอะไรมากกว่า น, นั้ น, นเรารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเช่นมือมันพลิกให้รู้สึกนะมันโยน่ะให้รู้สึกแต่จริงเทคนิคนะถ้าจะเรียกว่าจะทําให้บางทีมันการไปรู้สึกบางทีบางคนไปจ้องที่มือเกินไปนะบางทีเทคนิคที่ดีคือเช่นอืม สมมติเราจะนั่งนะให้เรารู้สึกก่อนว่ากําลังนั่งนะอย่าเพิ่งไปรีบพลิกมือนะนะเริ่มยกมือตาม14จังหวะมากนะเรานั่งนะให้รู้สึกตัวก่อนว่ากําลังนั่งนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมแบบสบายๆนะจัดอือยาบดนั่งให้สบายนะคนเป็นปกติไม่ต้องเกรเดงเกินไปอะไรนะ หรือถ้ามันหลังงอไปก็ยืดสักหน่อยนะให้รู้สึกถึงการนั่งนะอาจจะขยับนิดๆหน่อยๆอ่ะเห็นไหมรู้สึกตัวล้วคาว่ารู้สึกตัวเนี่ยฮิ่กีก็แค่แค่มันรู้สึกนั่นแหละถึงการมีอยู่เช่นรู้สึกว่ากำลังนั่งอยู่นั่นแหละนี่คือรู้สึกตัวแล้วนะร่างกายเขานั่งอยู่จิตใจรับรู้ว่ากำลังนั่ง พอเรารู้สึกถึงการนั่งอิรียบถดักแล้วนะครนี้ก็ค่อยมาพลิกมือยกมือนะรู้สึกนะอิรียบถย่อยนะคือการพลิกมือเคลื่อนมือนะมันตั้งอยู่ในอิรีบยบถใหญ่นะแล้วก็เห็นเห็นอะไรเห็นร่างกายเขาเคลื่อนไหวนะใจรับรู้นะร่างกายเคลื่อนไหว ร่างกายหยุดนิ่งนะใจเป็นคนรับรู้เ น, นี่ยเห็นแบบนี้นะการรับรู้คือการรู้สึกนั่นแหละนะรู้สึกเพียงแค่รู้สึกนะว่าร่างกายเขานั่งรู้สึกว่าร่างกายเขาเคลื่อนรู้สึกว่าร่างกายเขาหยุดเ น, <c oughs> นี่ยก็ทำความรู้สึกตัวแบบนี้บ่อยๆเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาเห็นกาย แต่บางครั้งมันก็ไม่เห็นตลอดเพราะว่าธรรมชาติมันมักจะเผลอไปคิดบ่อยนะหรือมีสิ่งที่มองเห็นนะมันก็จะไหลไปกับสิ่งที่มองเห็นบ่อยมันก็จะทำให้เราเห็นเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วมันก็จะเห็นใจมีคิดเหมือนกันนะบางทีมันก็ไปคิดของมันนะในสิ่งที่มันเห็นหรือคิดในสิ่งที่ได้ยินนะ อะไรประมาณนะั้หรือคิดในกายที่สัมผัสเช่นความหนาวเกิดขึ้นมากายอาจจะปรุงแต่งความร้อนเกิดขึ้นมากายก็อาจจะปรุงแต่งแต่บางทีเราก็ดูกันนะบางทีมันก็ปรุงบางทีมันก็ไม่ปรุงนะถ้าใจมันเผลอไปคิดนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจุบันหรือบางทีอาจจะคิด สิ่งที่มันเป็นอดีตไปเลยหรืออนาคตไปเลยน่ะก็ยยให้เรารู้ทันน э, ะแ PM. ค่แค่กำหนดรู้ว่าจิตมันเผลอไปคิดนะไม่ต้องไปอะไรกับมันนะครับนะก็คือแค่รู้ว่าเออมันเผลอไปนะนะมันหลงไปนะแค่เนี้แหละนะไม่ต้องไปพยายามวิเคราะห์วิจาร์อะไรมันไม่เป็นไรนะ ให้มองมันในแง่ว่ามันคิดของมันเองนะให้สังเกตอ๋อจิตเขาคิดของเ้าเองนะไม่ใช่เราตั้งใจคิดอืให้ดูบบนะกอกายเคลื่อนนะใจก็มีสติรู้นะใจเคลื่อนนะก็มีใจที่มีสติเข้าไปรู้อีกทีหนึง่งนะแล้วก็ดูว่าออมันเป็นของมันเองนะนะไม่ใช่เราเป็นคนทะ ไม่ใช่เราเป็นคนบังคับไม่ใช่เราเป็นคนกําหนดนะจิตมันคิดของมันเองนะมันปรุงของมันเองเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเห็นว่าเออมันเป็นของมันเองนะมันไม่เที่ยงเป็นแบบนี้เนาะจิตมันไม่เที่ยงนะถ้าเรามีสตินะแล้วเราก็ค่อ ย, อยสังเกตแยกอกายก็ส่วนหนึ่งนะใจที่รับรู้ก็ส่วนหนึ่งนะ กายก็ส่วนหนึ่งนะใจที่เผลอไปคิดก็ส่วนหนึ่งนะมันคิดก็คิดของมันเองนะมันไม่เที่ยงนะมันบังคับไม่ได้นะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะก็เพียงได้แค่รู้ตามรู้มันตามความเป็นจริงแหละนี่คือพอเราเริ่มฝึกสตินะสติมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นนะ มันก็จะรู้ทันความหลงความคิดรู้ทันกิเลสได้บ่อยขึ้นภาวนาไปถ้ายิ่งเห็นกิเลสบ่อยนะยิ่งดีนะถ้าวันวันหนึ่งเลยไม่เห็นกิเลสเลยเนี่ยแปลกนะนะถ้าวันหนึ่งพอวันวันหนึ่งหรือช่วงหนึ่งภาวนาไปแล้วมาสงบเออมันไม่มีกิเลสเลยเนี่ยต้องต้องระวังบางทีมัน มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยบากที่เราก็ต้องค่อยๆสังเกตนะแต่ถ้าภาวนาไปแล้วเห็นกิเลสเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะก็ถือว่าดีนะเพราะว่าอะไรเรารู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นรู้ทันกิเลสรู้ทันความเคลื่อนไหวได้บ่อยขึ้ น, นเห็นนะแต่ไม่เข้าไปเป็นอย่างที่หลวงพ่อเขียนเาบอกเห็นมันนะไม่เข้าไปเป็นกับมันคือสักแต่ว่าเห็น การเข้าไปเป็นคืออะไรคือการเข้าไปเป็นคือเวลาเราคิดแล้วเราก็ไปจมในความคิดนะหรือเวลามนันเสพอารมณ์อะไรต่างๆเช่นทางตาไปมองนะจิตก็ถล่มออกไปท่งจิตออกไปมองแบบลืมเนื้อลืมตัวนะไม่รู้ว่ากําลังมองนะแต่จิตไปจ้องอยู่กับสิ่งที่เห็นแล้วนะหรือเสียงเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ส่งจิต ไปเคิมหรือว่าไปสนใจในเสียงที่มันได้ยินเนะี่ยคือมันไหลออกไปครับนะคือจิตเน่ยไม่ตั้งมั่นคือจิตมันไหลออกไปทางทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมนะมันไหลออกไปบังนะทีก็ห้ามไม่ได้หรอกนะห้ามไม่ได้เราเพียงแค่คอยตามรู้มันนะพอรู้มันมันก็จะกลับมา แล้วจิตมันกลับมานะสติมันแวบออกไปนะมันก็แวบกลับมาเห็นจิตว่ามันเคลื่อนไหวได้นะจิตเนี่ยมันมันมันเคลื่อนได้นะมันอยู่ได้นะอันนี้คือในสภาพของจิตที่กำลังฝึกอยู่นะมันก็ยังมีการการไปการมานะการไหลออกไปการไหลกลับมานะอะไรไม่รู้หรือมันยังมี สภาวะที่มันมีเบามีหนักนะนี่คือจิตของปุถุชนมันก็เป็นแบบนี้แหละนะเราก็เพียงแค่รู้มันอย่างที่มันเป็นนะก่อนนะอย่าไปคิดว่าจะต้องให้มันไม่ไหลให้มันไม่คิดอะไรนะั้นะมันยังไม่ใช่วิสัยของเรานะนะอย่าไปตั้งความคาดหวัง ไว้แบบนั้นมันเป็นความคาดหวังที่ผิดมันเป็นการจงใจบังคับหรือว่าเป็นการคิดว่าปฏิบัติแล้วมันต้องไม่คิดหรือปฏิบัติแล้วมันต้องต้องสงบหรือปฏิบัติแล้วมันต้องไม่มีกิเลส น, นะไม่ใช่นะเราอย่าไปตั้งความหวังในการปฏิบัติไว้อย่างนั้นแต่ให้เราตั้งเรียกว่าตั้งระัว่า เราปฏิบัติเพื่อเพื่อสร้างความรู้สึกตัวนะสร้างความรู้สึกตัวไปกับอิริยาบถ ท, ทั้งสี่นะยืนเดินนั่งนอนอะไรนะสร้างความรู้สึกตัวไปกับอิริยาบถย่อยนะรู้เหยียดเคลื่อนไหวนะนะสร้างความรู้สึกตัวกับการรู้ทันจิตที่มันเผลอไปคิดนะ สร้างความรู้สึกตัวในการรู้ทันจิตที่บางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์บางครั้งก็เฉยอนี้เนี่เราตั้งเรียกว่าตั้งกระดักนะตั้งกรดักว่าเรามาเพื่อฝึกสตินะสร้างความรู้สึกตัวกับอิริยาบถนะของกายก็ดีหรื อ, อ ก, กับรู้ทันอาการของใจก็ดีมาตั้งดักแบบนี้นะแล้วก็เมื่อเราสร้างความรู้สึกตัวแล้วนะก็ให้เรา เรียกว่าเป็นผู้สังเกตเนาะเป็นผู้สังเกตสังเกตอาการของกายนะอาการของใจนะอาการของกายก็คือเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นอาการโคโยเยดเคลื่อนไหวก็เป็นอาการนะใจรู้สึกอยูนะ่อยู่ในอาการนั้นๆนะใจเป็นคนรับรู้ใจเป็นคนรู้สึกนะกับอาการของกายนะ ความหนาวความปวดความเมื่อยความหิวนะก็เป็นอาการของกายนะดูเป็นเป็นอาการเออมันเป็นอาการเกิดขึ้นมาในกายเนาะดูนะอ๋ อ, อมันเป็นอาการจิตมันจะค่อยๆแยกเออกายก็ส่วนหนึ่งนะความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ส่วนหนึ่งเนะี่ยความเจ็บปวดเมื่อยล้าความหิวก็เป็นส่วนหนึ่งนะใจก็ส่วนหนึ่งที่แค่รับรู้นะ ไม่ใช่ว่าต้องแยกแบบเหมือนคล้ายๆถอดด่างอะไรแบบนั้นนะเพียงแค่รู้สึกว่าเออกายมันเคลื่อนไหวนะใจรับรู้นะกายเจ็บปวดเมื่อยน่ะใจรับรู้อันนี้ยคือเราจะค่ อ, คอยๆแยกเห็นว่าเออกายกับใจมีคนละส่วนกันไม่ใช่เราทั้งหมดแต่ก่อนมันอาการของกายเป็นแบบไหนเนาะก็เป็นเราไปด้วยนะ กลายเป็นเราไปทั้งหมดเลยนะต่อไปเราก็จะค่อยๆเห็นเออมันเป็นอาการของกายนะจิตใจก็เหมือนกันเออมันคิดมันปรุงมันแต่งมันสุขมันทุกข์อะไรแบบนนีะ้มันก็เป็นอาการของใจเหมือนกันนะสติคอยรับรู้เออเห็นเป็นอาการนะใจที่คิดก็คิดของเขาเองใจที่สุขที่ทุกข์ก็สุขของเขาเองเอะ ใจที่ปรุงแต่งเป็นโลเป็นโกดเป็นหลงก็เป็นของเขาเองนะเ ป, นเป็นอาการของใจที่มันเป็นของมันเองนะเราก็เห็นอ๋อมันไปแล้วนะมีสติรู้ทันว่าเออมันไปแล้วเราก็จะแยกได้อ๋ออาการที่มันไปมันก็ไปของมันเองไม่ใช่เรานะทําได้เพียงแค่รู้ทันมันนะก็จะเห็นอะไรนะเห็น การแยกแยะระหว่างอาการของกายอาการของใจนะแล้วก็ตัวรู้นะมันเป็นคนละส่วนกันนะอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นตลอดเวลาหรอกนะแต่เราฝึกให้เห็นบ่อ ย, บ, อยบ่อยนะเท่าที่ทําได้นะ ฝ, นฝึกบ่อยบ่อยตรงนี้เมื่อฝึกบ่อยบอเราก็จะเห็นบ่อยบ่อยเห็นบ่อยบ่อยมันเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนอะไร เห็นความเห็นผิดเห็นผิดว่าอะไรเห็นผิดว่าร่างกายนี้แล้วก็จิตใจเนี้ยแต่ก่อนมันเห็นว่าเป็นตัวเราเห็นบ่อยๆในความไม่เที่ยงเห็นบ่อยๆในความเป็นทุกข์เห็นบ่อยๆในความไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้มันก็จะได้คลายความเห็นผิดว่าร่างกายนี้หรือว่าจิตใจเนี้ยมันเป็นของเราเราก็จะเห็นถูกต้องขึ้นเออ กายมันก็เป็นเรื่องของกายนะจิตใจมันก็เป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้นะมันเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละถูกแล้วนะแต่ก่อนเราเห็นผิดนะเราก็จะอยากให้กายมันไม่ทุกข์อยากให้ใจมันไม่ทุกข์นะอยากให้กายมีความสุขนานๆนะใจมีความสุขนานๆสงบนานๆแต่ถ้าเราเห็นถูกนะ มันจะสุขมันจะทุกข์เราก็บังคับไม่ได้นะมันจะดีหรือไม่ดีเราก็บังคับไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไร่ที่เราขาดสติไปแล้วก็ไปเป็นกับมันแต่ถ้าเรามีสติอ่ะเราก็เห็นมันเนี่ยเนี่ยอ๋อเห็นมันเป็นนาะไม่เข้าไปเป็นเ น, นี่ยสติจะทําให้เห็นเราไม่เป็นสติจะทําให้พ้นออกมาจากอาการต่างๆ แล้วก็สติจะทำให้เออแล้วเข้าใจความจริงว่าเออร่างกายจิตใจเนี่ยมันเป็นสภาวะของไตรลักษณ์ถ้าเข้าใจตรงเนี้ยมันจะเริ่มวิปัสนาเริ่มเริ่มเข้าใจวิปัสนาจริงๆนะวิปัสนาจริงไม่ใช่การแค่บอกว่ายกมือสร้างจังหวะเป็นวิปัสนาเป็นการปฏิบัติวิปัสนาไม่ใช่นะวิปัสนาคือเห็นไตรลักษณ์ นะตามความเป็นจริงนะนะเป็ น, เ, นเห็นเป็นอาการหลวงพ่อขงเทียนบอกเห็นเป็นอาการก็อาการของกายอาการของใจนี่แหละนะมันอยู่ในกฎของใตรักท้งนั้นเนะี่ยในเราฝึกตัวเนี้ยเนะี่ยอันนี้เรียกว่าถ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วเรียกว่าเรามีปัญญาเนหะ็นด้วยความที่จิตมันตั้งมั่นในการเห็นเะนี่ยเรียกว่ามีสมาธินเออ มีสมาธิแล้วก็มีสติมีปัญญาเนะี่ยมันเกิดขึ้นพอพร้อมกันเนี่ยคือเราก็ภาวนาตรงนี้แหละนะภาวนาไปเพื่อเพื่อให้จิตเขาคลายความเห็นผิดเนาะนะคลายความเห็นผิดเมื่อมันคลายความเห็นผิดมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นเนะนี่ยมันเหนียวมากนะจิตเนี่ยมันเหนียวเห็นขนาดว่าเห็นถูกพอสงควรแล้วมันก็ยังบางครั้งมันก็ยัง กลับไปเห็นผิดไปไปยึดนะมันเหมือนมันเหมือนความเคยชินนะแต่อะไรอย่างเหมือนนิสัยเหมือนอะไรต่างๆที่เคยชอบเคยชังอะไรแหละนะบางทีเราก็รู้โดยทฤษฎีแล้วมันไม่ดีนะนะแต่บางทีเนี่ยมันแน่นนะจะละก็ยากเหลือเกินนะเราก็ทำได้เพียงแค่นะพยายามฝึกบ่อยๆนะ ฝึกให้มันเรียกว่าเป็นความเคยชินของจิตแบบใหม่นะในการที่จะมีสติน่ะฝึกบ่อยๆจนจิตมันจําอารมณ์ได้เมื่อเคลื่อนไหวเมื่อเดินเมื่อหายใจนะมันก็มีสติของมันเองเลยนะฝึกให้จิตมันมีสติเป็นอัตโนมัตินี่เมื่อกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกตัวของมันเองโดยอัตโนมัติหรือเมื่อใจเขาเผลอไปนะ เราก็รู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นเร็วขึ้นนะเป็นอัตโนมัติเนี่ยฝึกแบบนีน้บ่อยบ่อยนะแล้วก็ฝึกมองเนะี่ยมองมันเป็นอาการอาการของรูปอาการของนามนะอมันเป็นอาการของมันเองเนะี่ยฝึกมองบ่อยบนะ่ะยจิก็จะค่อยค่อเข้าใจอ้อ อ, อมันไม่ใช่เราเป็นของมันแบบนั้นเนะี่ยฝึกแบบนี้นบ่อยๆนะ่อยเพื่อคลายความเห็นผิดเนะีที่ไปหลงติดว่าร่างกายจิตใจเป็น เป็นตัวเราเป็นของเรานะเห็นถูกบ่อยๆมันก็เห็นถูกขึ้นแล้วก็คลายความยึดมั่นถือมั่นได้มากขึ้นนะจิตใจมันก็จะเบาขึ้นนะคำ ว, ว่าเบาคืออะไรมันหนักนะแต่ก่อนมันหนักนะหนักเพราะกิเลสมันครอบงนะหนักเพราะกิเลสมันครอบงนะชวนให้หลงชวนให้สุขชวนให้ทุกขนะ์ก็หลงไปแบบนั้นตลอดเลย แต่บางทีนับปฏิบัติธรรมมันก็จะบางทีพอภาวนาไปบางทีมันก็เอ๊ะทาไมมันหนักกว่าเก่าก็ก็ต้องระวังนะบางทีพอภาวนาแล้วจิตมันหนักจิตมันเครียดเพราะอะไรมันอยากได้ <c oughs> ต้องระวังก็เป็นกันทุกคนแหละนะเพราะถ้าเราไม่อยากได้ไม่อยากรู้ไม่อยากเข้าใจธรรมะก็คงไม่มาปฏิบัติธรรมไม่มาฝึกหัดตรงนี้เนาะแต่ให้เห็นนะ เห็นความอยากได้เนี่ยแหละความอยากรู้ความอยากเข้าใจเนี่ยมันมันเป็นตัญหาที่สร้างความหนักขึ้นในจิตในใจนะ เ, เวลาภาวนาไปให้รู้ทันแล้วก็ละมาตรงนี้นะ ม, มันอยากจะดีนะเมันอยากจะรู้ตลอดนะมันอยากจะไม่ทุกข์อะไรแบนั้นนะให้เราให้เรารู้ทันมันเนาะแล้วก็ละมนตรงนั้นนะ อย่าที่บอกไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาดีนะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะให้มันสงบไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้มันไม่คิดนะปฏิบัติให้รู้ตามที่เขาเป็นนะทาความรู้สึกตัวไปแล้วก็ค่อยๆเห็นความจริงมันเป็นแบบไหนเขารู้อย่างนั้นแหละนะมันเป็นแบบนั้นอนะ่ะถูกแล้วเราก็รู้มันตามความเป็นจริงนั่นแหละนะถูกที่สุดเลยนะ จับดักง่า ย, ายนิดเดียวนะรู้ลงที่ปัจจุบันนะรู้ลงที่ปัจจุบันอาการของกายก็ดีนะรู้ลงที่ปัจจุบันนะปัจจุบันอะไรมันเด่นนะรู้สึกที่ตรงนั้นเลยนะไม่ผิดนะไม่ต้องไปสงสัยเออนั่งมันเด่นก็รู้สึกถึงแค่การนั่งนี้ก็ได้นะ เค่นไหร่างกายกระด ก, กะดิกมันเดน่นอ่ะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวกระดูกดิกนี่ก็ได้ละอ่าไม่เป็นไรนะอ่าหรือบางครั้งลมหายใจเขาเคลื่อนไหวมันเดน่นนะเราก็รู้สึกได้นะบางทีมันรู้กายเนี่ยมันก็ไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะนะเราอาจจะมีอิริยบทที่เราฝึกบ่อยๆก็จริงนะแต่บางทีก็ไม่ใช่เราไปไปกําหนดให้มันอยู่แต่กับตรงนั้นนะ มันครั้งมันก็ไปรู้อย่างอื่นก็ให้รู้ว่ามันเป็นรู้ของมันเองนะไม่ใช่ผิดไม่ใช่ถูกอะไรหรอกมันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะอันนั้นถูกแล้วนะรู้มันไปอืจิตมันคิดมันปรุงมันแต่งมันดีมันไม่ดีก็รู้มันไปนี่แหละมันเป็นแบบนั้นเราก็รู้แบบนั้นแหละนะตัญหาคือความอยากอยากจะสุขอยากจะสงบเนี่ยคือตัญหาน่ะ อยากจะไม่ให้อยากจะไม่ให้มันหลงนะอยากจะให้มันไม่คิดเนี่ยก็คือตัณหาอือยากจะรู้อยากจะเข้าใจอยากจะพ้นทุกข์นะก็คือตัณหานะให้รู้ลงกลับมาได้นะ่ะเอบางทีมันมีตัณหาซ่อนอยู่นะ่ะในการกระทำํำในการวางใจนะถ้ามันทําด้วยความอยากมากมันจะเครียดเนาะให้เราสังเกตดู ถ้าคิดเครียดไอ้รู้เออมันมันทาด้วยความยากนะก็ขยับตัวอะไรให้มันสบายสบายขึ้นนะเ น, นี่ยนะให้มันผ่อนคลายขึ้ น, นมันก็จะมันจะกลับมาเป็นปกตินะให้ให้ค่อยค่อยฝึกไปนะค่อยค่อ ย, อยฝึกไปจนไหนเครียดมากๆก็ยิ้มให้กับตัวเองสักหน่อ ย, ยนะฮึม มองท้องฟ้ามองอะไรให้มันผ่อนคายนะนะนะแล้วก็รู้สึกเออดางกายเขายิ้มนะรู้สึกถึงร่างกายมันยิ้มจิตใจเบิกบานขึ้นเลยนะนะสังเกตดูตัวเองค่อยๆนะแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนไปเลยหัวใจจริงการภาวนานนะการสังเกตนะสังเกตหรือการเรียกว่า ก็ดูนะแต่ไม่ใช่จ้องน ะ, ะสังเกตเนี่ยเป็นการดูบ่อยๆสังเกตบ่อยๆนะไม่ใช่การจ้องไว้สังเกตอะไรสังเกตตัวเองนี่แหล ะ, ะความจริงมันอยู่ในตัวเรานี่แหละนะอยู่ในร่างกายจิตใจในี่แหละธรรมะน ะ, ะเราดู ม, มบ่อยๆนะเราก็เข้าใจนะเหมือนเราศึกษาอะไรก็แล้วแต่นะ เราดูบ่อยนะเราเสนใจบ่อยนะเราก็จะมีความรู้ในเรื่องนั้นแตกฉานในเรื่องนั้นนะเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจก็เหมือนกันก็มันสังเกตบ่อยมันดูบ่อยนะเราก็จะเกิดความรู้ก่อความเข้าใจเรื่องร่างกายจิตใจมากขึ้นนะจิตใจมันก็จะค่อยๆเบาสบายนะเบาสบายคือมันมันเห็นถูกมากขึ้นนะ มันปล่อยวางได้มากขึ้นนะมันปล่อยได้เร็วขึ้นนะมันคลายความอยากนะความยึดมั่นถือมั่นได้เร็วขึ้นเนะ่ยมันเบานะมันเบาสบายยิ่งพอภาวนาไปแล้วมันมีสติเป็นอัตโนมัตินะมันภาวนาแบบไม่ได้ไปกําหนดมากเกินไปไม่ได้ไตั้งใจเกินไปเนะี่ยมันยิ่งเบานะภาวนาก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะ แต่ก่อนเนี่ยมันเครียดเนะพอพอเริ่มจับหลักพอเริ่มอะไรแล้วเอมันเบามันสบายอะไรก็ภาวนาได้ทั้งนั้นเนาะอะไรแบบนั้นเออมันก็จังเลนมันก็ไม่ได้ยากเนีมันก็ไม่ได้ยากเกินไปเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันหมุนติ้วติ้วทำแบบไหนน่ะจะถูกทำแบบไหนจะดีนะบางทีมันก็เลยหนักมันก็เลยเครียดเนะ่ยพอจับหลักได้เออมันก็แค่นี้นี่เองเนาะแค่รู้สึก นะแค่รู้สึกนะรู้สึกธรรมดาเนี่แหละนะอย่าไปคิดมากอย่าไปว่ามันยากอะไรแบบนะีแค่รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะถูกแล้วนะอืมแต่ก็ต้องรู้ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันจะหมดไปโดยเร็วหรือว่าจะทำให้แจ้งโดยฉับพลันอะไรแบ้เนาะมันเป็นการเหมือน เรียกว่าค่อยๆเห็นสิ่งที่มันผิดค่อยๆเห็นสิ่งที่มันหลงค่อยๆเห็นสิ่งที่มันยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ค่อย ๆ, ๆพ้นไปทีละขณะทีละขณะทีละขณะะต้องสะสมความพ้นไปทีละขณะนี่แหละจนกว่านะจนกว่าพุทธะนะมันจะโตเต็มที่นะ่นะเหมือนเราปลูกต้นไม้นะก็ค่อยๆดูแลไปนะ ให้น้ำบ้างพวน ด, ดินบ้างใส่ปุ๋ยบ้างนะบังแดดบังเงาให้กับเขาบ้างอะเงี่ยนะนกว่าเขาจะโตเต็มที่นะหาน้ำได้เองนะแข็งแรงนะต้านแดดต้านลบต้านฝนได้เองแล้วนะถึงวันเวลาเขาก็นะโตโตขึ้นนะออกดอกออกผลอะไรนะนะ มันก็ต้องรอเวลาอาศัยเหตุปัจจัยที่มันจะสมไปเรื่อยเนาะภาวนาเหมือนปลูกต้นไม้คิดแบบนั้นแหละโยมนะอย่าไปเร่งมันนะอย่าไปเร่งให้มันแบบต้องรู้เร็วเร็วอะไรนะอย่าไปเร่งมันเกินไปนะแต่ก็ไม่ใช่เฉยชาไม่ดูแลรักษานะกแบบ็ต้องทำความเพียรไปแล้วก็อืมแล้วก็เนี่ยแหละ นะแใจเย็นๆรอได้นะ่นะคอยได้นะ่อนะมรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนดกักถ้าเรายังทําความเพียรอยู่นะ่นะแต่เราไปเร่งให้เกิดมรรคผลนิพพานในวันนี้ในเดือนนี้บางทีมันก็เร่งไม่ได้แบบนั้นนะยิ่งอยากได้นะยิ่งไม่ได้นะธรรมะนะยิ่งอยากได้นะกับยิ่งไม่ได้ หมดความยากนะแหละถึงจะได้จริงๆนะเหมือนพระอนุนนนะวันพรุ่งนี้จะเป็นเนี่ยเหมือนคล้ายๆเนะ น, นี่ยนเะช้าวันเนี้ยนะตอนเช้าพระสงฆ์ประชุมกันจะสั่งขยานาแล้วนะพระอรหันต์สี่ร้อยเก้าสิบเก้ารูปท่านหมดกิจท่านบรุธรมนะรมแล้วเหลือแต่เรารูปเดียวยังไม่รู้ธรรมะนแต่ท่านบอกเราต้องเป็นพระอรหันต์ อถึงจะไปไประชุมกับท่านเหล่านั้นได้นะพราหนูก็เร่งความเพียรนะทั้งวันทั้งคืนเลยนะเร่งมีสติเป็นในกายนะตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยแต่พอทําจนเหนื่อยทําแล้วอยทําก็ไม่จะเอานะไม่ได้นะพอคลายเอ้ทาจนเหนื่อยจนร้าพักสักหน่อยสั้นะร่างกายจะผ่อนคลายนะจะเอนนอนจิตใจมันก็คลายตาไมไปด้วยนะอืม ก็เ ข, ข้าใจธรรมะอ๋อตรงนั้นแหละอ๋อตรงที่มันผ่อนคลายมันไม่เอานั่นแหละตรงที่มันละตัณหาไม่เอานั่นแหละอ๋อมันก็เลยผลทุกตรงนั้นนะเน็นไหมคือแต่ก็ไม่ใช่ว่าหัวค่ำก็จะนอนเลยจะบรรลุธรรมเลยก็ไม่ใช่มันทําความเพียรนนะ่ะไปก่อนนะมันก็หลงไปอยากจะเอานั่นแหละนะพอรู้ทันว่ามันหลงจะเอามันผ่อนคลายอ่ะมัน มันพอดีอะมัคยค่อยๆเนี่คยค่อยๆเห็นน่ะแหละ เ, เห็นความความผิดไปเรื่อยนะแล้วก็ถึงจังหวะมันคลายนะมันก็ตามเหตุตามปัจจัยของมั น, น ก, ก็ฝากไว้นะก็เราก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรในการภาวนากันก็อยู่กันแบบสบายๆนะภาวนา แบบสบายๆกิจอย่างอื่นที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ต้องุ่งละเพราะเรามาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมก็ให้ทำกิจหลักก็คือเรื่องเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือถจะเป็นกิจส่วนรวมกิจกับสถานที่ก็ให้ทำด้วยความรู้สึกตัวนะ<ม>ทำไปไม่ใช่ไม่ใช่ทำให้มันแค่พอเสร็จเส็จนะแต่เราอาศัย การเคลื่อนไหวในงานต่างๆเป็นการสร้างความรู้สึกตัวเนาะหรือกิจวัตรที่เราต้องทำอยู่แล้วอะนี้เนาะต้องกินข้าวต้องอาบน้ำเหไรแนะ้นะแทนที่จะทำให้มันเสร็จๆนะทำให้มันอิ่มๆนะก็ไม่ใช่เนาะก็อาจัยเป็นการฝึกสร้นะางความรู้สึกตัวอะไรนะนะแบบนี้เนะี่ยทำแบบเนี้ยบ่อยๆ ิดมันก็จะอยู่กําเนื้อกับตัวได้บ่อยขึ้นเห็นความจริงได้บ่อยขึ้นน ะ, นะครับฝากไว้ครับส